ไม่รู้จะเชื่อใครดีให้เชื่อพระพุทธเจ้าองค์เดียวผู้สอนสมาธิทำให้เราสงสัยค้องใจแบบไหนเนาะดีแบบไหนเนาะแบบไม่ดีบางทีอาจารย์บางท่านก็ไปประกาศว่าภาวนาพุทธโธมันได้แต่สมถะไม่ถึงวิปัสนาหรอกอย่างนี้อย่างนี้จึงเป็นวิปัสนาพวกเราที่ยังไม่รู้อินโนอินเน พอไปฟังพระระดับอาจารย์พูดเนี่ยเราก็เขวเพราะฉะนั้นถ้าใครจะปฏิบัติสมาธิให้ได้ประโยชน์แก่ชีวิตประจำวันจริงๆเลิกเชื่อพระเสียตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเชื่อพระพุทธเจ้าพระองค์เดียววิธีปฏิบัติสมาธิของพระพุทธเจ้าพระองค์เริ่มต้นด้วยการดูลมหายใจพุทโธก็ไม่มียุบหนอพองหนอก็ไม่มี สัมมาอารหังก็ไม่มีเพราะคำพูดสามคำนี้เป็นคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าไม่มีอย่างไม่เกิดพระองค์เอาคำพูดไหนมาท่องเนี่ยเราคิดเอาอย่างนี้เพราะฉะนั้นในเมื่อหาสิ่งที่ท่องที่ระลึกไม่ได้มีแต่คาถาอาคมตามคำภีพรามพระองค์เรียนจบมาแล้ว ทีนี้พระองค์จะมาภาวนาแบบชนิดที่จะให้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านี่จะทำอย่างไรมองหาอะไรก็ไม่เห็นนึกไปนึกมาก็เห็นแต่ลมหายใจตัวเองออกเข้าออกเข้าอยู่นี่เอาสติจับลมหายใจปับ๊บรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่จนกระทั่งจิตได้สมาธิพอได้สมาธิแล้วจิตตามลมเข้ามานิ่งสว่างอยู่ในท่ามกลางของร่างกาย รู้อาการ32ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกจบคำพีกายคตาสติกรรมฐานเม e ื่อจิตสงบละเอียดลงไปกายหายไปเหลือแต่จิตดวงเดียวนิ่งสว่างสวัยร่างกายตัวตนไม่มีพอไปถึงจุดนี้จิตนิ่งสว่างสวัยแต่ยึดเอาความสว่างเป็นอารมณ์เป็นรูปฌาน พอจิตไหวตัวจะก้าวขึ้นไปสู่อรูปฌานจิตของพระองค์ไม่ไปวกเข้าไปสู่สัญญาเวทายตานิโรธเขานิโรธสมาบัติไปยับยั้งสร้างพลังงานอยู่ที่ตรงนี้เมื่อได้พลังงานพร้อมจิตเบ่งบานออกมาอีกทีหนึ่งแผ่รัศมีคลุมจักรวาลทั้งหมดทําให้พระองค์ตรัสรู้เป็นโลกาวิถูโลกาวิถู ผู้รู้แจ้งโลกในขณะจิตเดียวพระองค์รู้เห็นทั้งนรกมนุษย์เทวดาอินพรหมยมยักษ์นอกจากจะรู้เห็นแล้วยังรู้บุพ ก, กรรมของเขาทั้งหลายเหล่านั้นเขาเกิดมากี่ภพกี่ชาติเราเกิดมากี่ภพกี่ชาติพระองค์รู้หมดแล้วทำไมสัตว์ทั้งหลายมันจึงเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏะสงสารมันอาศัยอะไรเพราะพระเจ้า พระเจ้าของพระพุทธเจ้านี่คืออวิชชาความรู้ไม่จริงแต่ไม่มีตัวตนอวิชชาความรู้ไม่จริงมันเป็นกิเลสตัวที่อยู่ในจิตของมนุษย์เพราะมนุษย์อาศัยความรู้ไม่จริงจึงทำกรรมดีบ้างชั่วบ้างบาปบ้างบุญบ้างพอทำไปแล้วก็ได้รับผลของกรรมเป็นเหตุให้เวียนว่ายตายเกิดในวะัฏะสงสาร พระองค์รู้หมดในขณะจิตเดียวแล้วก็ในขณะจิตอยู่ในสมถะกรรมฐานด้วยพอจิตถอนออกจากสมาธิมาพอรู้สึกว่ามีกายปับ๊บตอนนี้มันเกิดวิปัสนาขึ้นมาแล้วจิตย้อนไปคิดพิจารณาทบทวนสิ่งที่รู้เห็นพิจารณาเรื่องปุบเพนิวาสานุสติญาณจบลงในปฐ ม, มยาม การจุติและเกิดของสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกฎของกรรมจบลงในมัชชิมะยามพิจารณาเรื่องอาสวะกิเลสอันเป็นเหตุให้สัตว์ต้องทำกรรมจบลงในปัจฉิมยามในเมื่อพิจารณาจบลงแล้วจิตยอมรับสภาพความจริงอรหัตตมรคขยานบังเกิดขึ้นตัดกิเลสอาสวะขาดสะบั้นไปในปัจฉิมยามจึงได้พระนามว่า อรหังสัมมาสัมพุทธโภพควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองตรัสรู้ตั้งแต่หัวค่าเป็นอรหันต์เมื่อจวนสว่างเพราะฉะนั้นสิ่งรู้เห็นทั้งหลายที่นักปฏิบัติทั้งหลายพากันหลงงมงายอยู่เนี่ยเป็นแต่เพียงอุปกรณ์ใหถึงความหมดกิเลสเท่านั้น เมื่อหมดกิเลสเป็นพระอระหันต์แล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีความหมายสำหรับผู้พ้นแล้ว